ขอนบนอมต่อพระัไตกราบถวาไว้ความเคารพเมียงอาจารย์ไพสารนิจารผภู้ิประธานกราบถวาไว้ความเคารพแล้วก็โอกาสเพื่อนสากธรรมมิตรที่เคารพทุกทุกโลกเจริญพรเจริญในธรรมมายังคุณแม่จีนวัยอาตามวาสุภาษิกาทุกกัน กันมารวมตัวกันประดัรรมเป็นการศึกษาชีวิตของเราให้มันมีที่พึ่งภายในเห็นความจริงก็เรียกว่าเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องกันถูกต้องเห็นธรรมชาติภายใน เห็นมรรมชาติภายนอกตัง้งเกิดแก่เจ็บตายเห็นมันเป็นความจริงจริงเราได้มีชีวิตอย่างสะดวกกว็มีผาสุขมีความผาสุขทำให้จริงเรามันรู้สึกว่า อยู่ในโรคนี้อย่างไม่ได้เป็นปัญหาเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านเมือนเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์กันการกลับมาศึกษากายศึกษาใจของเราเราจะเห็นความจริงกายมันก็เป็นกายดุนก้อนมีอาการต่างๆมากมาย เอเยียบดนั่งเดินยืนนอนต้องเกี่ยวข้องต้องกินต้องขับถ่ายเมื่อเกิดความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมารู้จักมันก็ตื่นเห็นอะไรมันก็เกี่ยวข้องบางทีก็ต้องขับถ่ายอาการก็ก็บอกบางทีก็ต้องทนเช่นนั่งนาน เดินทางไกลหรือว่าอยู่ในที่ชุมชนตามข้อตกลงร่วมกันมีกฎกติกามีระเบียบมีมารยาทถ้าเราไม่มีความรู้น้รู้ตัวรู้สึกตัวมันจะเกิดมายาสาไถมันจะไม่ได้เป็นมารยาทของสังคมมันเป็นมัญยาเลี่ยม เ, เอารัดเอาเปรียบ หลบหลบหลีกเลี่ยงใม่พร้อมไปชิญจิตของเราเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่มีพื้นฐานของทิฏฐิมานะจริตนิสัยต่างๆมันจะแสดงออกมาให้เราได้รู้จักเลยว่าในความคิดนีมันเป็นของที่ยิ่งรู้ยิ่งตื่นสติมากๆมันก็จะรู้ในรายละเอียดที่เป็นนามธรรมต่างๆ วิธีคิดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำมันจะเกิดขึ้นมามากมายกันนะที่เราปฏิบัติก็เห็นมันทลักปั้งพรูว อ, อกมาอย่าง น, น้อยๆในสามเดือนที่เรามาอยู่ร่วมกันเราก็จะเห็นพัฒนาการตั้งแต่วันแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกแลว้วก็เดือนที่สองเดือนที่สามตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เราหลายคนจิตใจก็อาจจะเรียกว่าปลดปล ong โล่งขึ้นมา หลังจากที่มีกรอบอยู่ในกฎระเบียบในในศีลในธรรมต่างๆซึ่งเรามีข้อตกลงร่วมกันจนกระทั่งมือนว่ามันขัดอกขัดใจกิเลสที่มันยังไม่ได้ขูดเก่าก็เรียกว่ารอเวลารอโอกาสรอจังหวะเช่นยิงอยู่ยิงหน้าดำปฏิบัติยิงหน้าด ำ, ยาดำอยู่วัดอยู่ว่าแต่พอพวกงนี้สึกไปแล้วหน้าขาวผ่องดีใจรอยยิ้มเปลือนหน้าเลยนะ พอหลังจากออกพรรษาหรือว่าหลังจากขัดินแล้วมันจะมีสมมุติบัญญัติมากมายที่จิตมันสมมติเอาไว้บัญญัติเอาไว้อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เปรียบเทียบหาเหตุหาผลต่างๆมากมายมันไม่รู้อาการตามความเป็นจริงตรงๆสิ่งนั้นคืออาการของจิตมันไม่ใช่จิต ที่เป็นจิตเดิมแท้ว่าสอนพ่องใสสติปัญญาที่มันจะมารู้เห็นตามความเป็นจริงรูปธรรมนามธรรมมันจะต้องเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ย้อนกลับมาดูตัวเราเองเกิดพุงออกไปเป็นสติสัญชาตญาณมันกลับมาเห็นตัวเองเห็นตัวเองแล้วท้ายสุดก็จะบอกว่าเออเป็นแค่ก้อนพักก้อนทำเป็นธาตุสีกันห้าธาตุาาละ มันเอาแน่ไม่ได้จะให้เป็นความเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาตลอดเวลาเวลาเลยจะมีอุปโลกต่างๆเกิดขึ้นมาอุปโลกตามสมบิบัญญัติของสังคมของโลกใบนี้ของชุมชนวะเรพวาอย่างเช่นว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะรับกระิ้งกันอันนี้ก็เป็นการอุปโลกมาเต็มๆเลย หลังจากที่เราอยู่ร่วมกันมาสามเดือนสังคมชุมชนของเราเรียบร้อยดีผู้ที่อยู่ด้านนอกผู้ที่ให้การสนับสนุนเห็นเออน่าจะมีรางวัลให้โกปะโลกฐินนี่แหละลอยมาโดยไม่ได้จอะจองว่าเป็นผู้ใดทางของเราสมมุติกันไว้ชุมชนเราก็มองเห็นกันอ้วยผรูปนี้สมควรมีผ้าเก่าหรือว่า เป็นที่รักของชุมชนสามารถที่จะเข้าได้กันหมดกตุกคนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งรู้ธรรมขั้นสูงหเห็นว่าอเหมาะสมสมควรแล้วก็อุปโลกันขึ้นพระสงฆ์ก็กล่าวสาธุกการร่วมกันอันนี้ก็คืออุปโลกที่มันเป็นสมมติบัญญัติเหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วก็คือเรื่องหนากร ธรรมชาตินะธรรมะที่มันมีอยู่จริงๆตามเหตุตปัจจัยแล้วเราก็รู้เท่ารู้ทันเพราะนั้นความคิดนี่มันเป็นพลังหรือว่าเรียก ว, ว่าเป็นจุดกาเนิดที่ทำให้ปัญหาวัานธรเมไปหลงแล้วก็หมกมุ่นกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นการปีความต่างๆจทั้ง มีบุญมีบาปมีดีมีช่วยมีเหตุมีผลเราก็เห็นตามความเป็นจริงบุญถ้าใช้ไม่เป็นก็กลายเป็นทุกอย่างละเอียดบาปนิยมทำกันรู้ว่าอันนี้คือไม่ดีแต่ว่ามันห้ามใจไม่ได้อันนี้เป็นลักณะของความสุขอย่างหยาบซึ่งคนก็พยายามเมื่อหาอย่างละเอียดไม่ได้ก็ต้องเสพของหยาบต่อไป โรคเขาก็สร้างเรียกว่าตัวปลุกเราย่อยยุให้เราได้หลงไหลรูปลดกลิ่นเสียงโปรตีนธรรมรมต่างๆให้เราได้เผลอแต่เราก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีกายซึ่งเป็นวิหารธรรมการเคลื่อนไหวแต่ละขณะการหายใจกับพิบตาท้องพ่องยุบด้วยการสร้างจังหวะต่างๆเป็นเครื่องอยู่เบื้องต้น เราก็จะเห็นว่าขณะที่เราอยู่ช่วงอาทิตย์แรกมันก็จะมีแต่ความคิดที่ทะลักตะลวงเข้ามาหลังจากที่ศรัทธาในการบวชหรือว่าการอยู่วัดอยู่วามันค่อยๆอ่อนตัวลงไปเรียกว่าแก่วัดขึ้นเราเห็นความคิดแบบโลกๆ ก, ก็จะเข้ามาเยอะมากคิดถึงรสชาติความสุขที่เราเคยเสพมันก็จะชวนให้เราหลงไหล สร้างมโนภาพขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกตัวในตัวแก้ทันทีทันใดหลังจากทีนะ่มีความรู้สึกตัวมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเราเห็นว่าศรัทธานในการปฏิบัติก็จะทวีคูณขึ้นมาอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่รู้สึกตัวเราเห็นนะมันเกิดอาการมันเกิดขึ้นมาคือสัมผัสรู้มันไม่ได้เข้าไปในความคิดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกตัวขนาดหนึ่งขณะหนึ่ ง, งเป็นปัจจุบันเรื่อยๆไป วินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึง่งวินาทีนึ่รู้ครั้งหนึ่งตัววิชาเกิดขึ้นมาคือรู้รู้ถูกเห็นของจริงจริงๆเห็นกายตามความเป็นจริงการเคลื่อนการไหวมันเป็นอาการทุกข์ที่แสดงออกมาที่เราจําลองความทุกข์ที่มีอยู่ที่มาซ่อนอยู่มันก็แสดงชัดเจนขึ้นเช่นอาการปวดเมื่อ ย, อยาอาการเก๊กอาการเ ก, ก, าการเ็งอาการเพ่งอาการจ้องมันก็แสดงออกมาชัดขึ้นชัดขึ้น vid, ชัดขึ้น การที่จิตก็เป็นแนบกับความรู้สึกตัวเข้าไปอยู่กับความรู้สึกตัวมันก็มีชัดขึ้นชัดขึ้นความคิดที่แสดงออกมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราเห็นถี่ขึ้นแล้วก็เกิดการจดจําแม่นยาขึ้นมันเป็นล่องรอยที่มันเกิดนิสัยใหม่ขึ้นเลเราเห็นปรากิดวิชาขึ้นมันมีความเชื่อขึอ้นเลยความรู้สึกตัวนี่มันทำให้เราปกติแล้วก็อยู่กับโลกของปัจจุบัน โรงความคิดอดียดาโค้ชมันก็ห่างๆออกไป เ, เห็นจิตใจเราก็เลื่นเลื่งมากขึ้นกับการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทางเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะหลัวออกไปทําภารกิจต่างๆเราเห็นว่าก็จะมีตัวปฏิบัติเนี่ยแหละคอเคลียคอเคลียอยู่ตลอด เ, อเวลาเพื่อนหลงเราไม่หลงเพื่อนรู้เราก็รู้เหมือนกับเพื่อนเราจะเห็นว่าเออมันไปด้วยกัน กลายเป็นอยู่ตรงไหนก็มีครูคอยเปรียบเทียบที่ให้เรากลับมาหาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาจากยาไปหาละเอียดจากการเคลื่อนไหวที่เรามีเจตนาล้วก็ไม่ต้องเจตนาสติปัฏ ฐ, ฐานก็แก่กล้าขึ้นมีความเป็นโปรติเต็มภายในจิตในใจก็แสดงว่าเวลาหลงมันก็ เ, ออเกิดอาการที่เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราก็สามารถที่จะพาจิตใจ ก, กลับมาสู่โลก ของปัจจุบันขนา้านรู้เห็นอาการต่างๆมันก็จะเกิดอาการเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจมีลักษณะของจิตมันสงบลงนับกายก็สงบลงครับกายก็เป็นกายราหูตาจิตก็เป็นจิตตาราหูตาในการเบากายเบาใจมันเบามันเคยหนักอื้งเหมือนแบกภูเขา ใบทั้งรูปหรือว่าแบกโลกไว้ทั้งใบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองปัญหาเก่าๆก่อนบวชเหมือนกับทับถมหนักอื้งจนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะหาทางออกมันมืดแต่พอมีความรู้สึกตัวแล้วมันมีทางออกพวะเอามาแทรกออกม า, กออก ม, ามันก็หลุดนะอย่างนั้นมาเป็นกายรูตาจิตตาลูตาเกิดขึ้น มันเป็นอาการที่สัมผัสได้แน่นอนยิ่งบวชยิ่งปฏิบัติหรือว่าอยู่วัดอยู่วายิ่งเบาจนกรทั่งมันเหมือนกับว่าการที่จะย้อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยทําเคยเป็นมันมันสะดุ้งวัดนผวาเลยนะขนหัวลุกเป็นอย่างนั้นนึกถึงบางครั้งบางคราวเฉียดตายบางครั้งบางข่าวว่าทําให้คนอื่นก็เสียอกเสียใจเป็นทุกข์มันก็รู้สึกว่าเออกระสับนึก ก็เดินทางไปแล้วก็ไม่หันหลังกลับก็พุ่งต่อไปข้างหน้าสู่มรรคผลผนิพพานมันเป็นอย่างนั้นบางทีมก็สงสารตัวเองมีคาวามสุขเออมีกายพอจะเติบใหญ่มาได้นั่งปฏิบัติธรรมอยู่นาะวินาทีนี้มันผ่านร้อนผ่านเมาส์ผ่านการเจ็บการตายมันก็รอดผ่านมาได้ มันก็ควรจะใช้ชีวิตให้เป็นเหมือนกับว่าประโยชน์สูงสุดการได้ชีวิตมนุษยนะ์มาได้ลมหายใจมนาะมันก็เรียกว่าเบื่อการเกิดการแกร่การเจ็บการตายมันก็ไปในทิศทางที่มันสู่มีมุษย์หลุดพ้นเบื่อะสถานการเบื่อขึ้นมาเบื่อโลกชีวิตแบบโลกโลกหาอยู่หากินอกพอละแต่ไม่ใช่ลักษณะการที่เราเหมือนก็ขี้เกียจ ต่เบื่อการหาอยู่หากินแบบแย่งแข่งขันแบบนั้นมือขยาวสาวได้หาสาวเอาที่ไหนมีผลประโยชน์ที่ไหนก็มีการขัดแย้งก็ต้องแสดงความรู้ความสามารถต่างๆมากมายเราก็อยู่เรียบง่ายขึ้นวั น, นก็ประทานอาหารไม่กี่บาทเนื่องจาะเราเป็นพระเนี่ยศีล น, นําสุขมาให้ศีล น, นําพกษะทรัพย์มาให้ศีล น, นาความเย็นมาเราก็อยู่ด้วยศีลมันก็ ขูดเก่าพอสมควรทีเดียวทีนี้พอมันเบื่อหน่ายกายจางขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออวิธีคิดหลายๆวิธีมันไม่จําเป็นความรู้สึกตัวไม่ต้องคิดอะไรบางทีมันใช้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยที่เป็นประโยชน์ขนาในการที่เราจะดารงชีวิตสังคมไทยก็เหมาะมีการสนับสนุนให้เราได้เหมือนกับว่าเรียนรู้ เข้าสู่การศึกษาวิชาของวุทยศาสามันมันเหมาะที่สุดแล้วประเทศไทยทางตันเหนือจั ง, งจหวัดใต้ไปที่ไหนมันก็เรียกว่าอยู่ได้ทีเดียวมันก็เลยลนะ้การจะย้อนกลับไปแการเป็นญาติเป็นโยมสมัยก่อนมันก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาได้นะเพราะนั้นความคิดของเราเนี่ยถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันมันก็กลายเป็นโทษกลายเป็นคมหอกคมดาบ ทั้งทิมทั้งแทงทั้งบาดจิตบาดใจของเราจิตกั้งใดมันก็เหมือนกับว่าทําให้ชีวิตเรามันหนักอื้นขึ้นไปเราก็จึงผ่านความคิดกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นโลกที่มันพาเราหมุนไปไหลไปเอียงไปสู่ความเป็นปกติของจิตตุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็น การทวนกระแสทีเดียวมันก็ทําได้ง่ายๆไม่ได้ทําได้ยากเพียงแค่ขยับนิ้วรู้สึกตัวเคลื่อนมือรู้สึกตัวติปตาหายใจรู้สึกตัวเมื่อมันมีนิสัยแล้วมันจะเห็นรายละเอียดต่างๆไม่ต้องคิดจิตที่มันจิตจิตจิตจิจิตจิตจมันว่ามันไหวเนยมันก็เป็นความรู้สึกตัวเหมือนกันเป็นความประณีตละเอียดแต่ว่ามันก็ สามารถรู้สึกได้ชัดๆตรงนี้แหละมันเป็นโลกของการศึกษากายใจของเราก็เห็นอาการต่างๆที่แปรปวนไปตลอดเวลาบังคับบัญชาก็ไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เรารู้จักเขาอยู่เหนือเขาสภาวะผู้ดูที่ปรากฏขึ้นมาจากการที่ฝึกหนักเห็นทุกแผ่นทุกหยักหยาบเช่น อาการง่วงเหงาหงานอนอันนี้หยาบสุดนิ่วัลลธรรมหลังเลสงสัยฟุ้งซ่านนี่หยาบสุดมาผ่านมาได้เราก็จะเห็นว่าเออการที่จิตมารู้ตื่นเบิกบานแล้วก็เห็นรายละเอียดของธรรมาชาติภายในมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้แหละเราก็จึงมันก็ว่าไม่ใช่เป็นการทนหรือว่าเสียเวลามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมา รเรียกว่าภาวนาเป็นการเดินตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการเดินตามรอยของบรมครูของเราหรือว่าพ่อก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ได้เหมือนกับว่าค้นพบแล้วก็ชี้ตรงๆไม่ได้อ้อมลักษณะของสติป 4, ัฏฐานสี่เป็นการเดินทางที่ตรงที่สุดการเห็นกายตางความเป็นจริงเห็นเวทนา ทุกที่มันเกิดที่กายตามความเป็นจริงแล้วจิตใจที่แสดงออกมาตามความเป็นจริงโดยเห็นแล้วนะอาการที่จิตมันคิดต่างๆไม่ว่าคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำก็ถูกรู้ถูกเห็นถูกแทรกแซงอาการที่เรียกว่าแทรกแซงก็คือการทวนออกมาหาความรู้สึกตัวเราห้ามไม่ได้ความคิดแต่ว่ารู้ทันได้ จะรู้ทันได้ก็ต้องฝึกสติประฐานให้คมที่สุดว่องไวที่สุดเป็นไหวพิปฏิพัณน์อาจจะเป็นนามธรรมที่สามารถหนาลูเท่ารู้ทันหรือว่าเป็นตาในเป็นสภาวะของผู้ดูที่ดูโดยที่ไม่ต้องเจตนามันเป็นความรู้สึกตัวกระทั่งมันเห็นสภาวะต่างๆภายนอกภายในรูปนามรูปธรรมนามธรรมขันหน้าต่างๆ เป็นลักษณะของอาการที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติแต่ละขณะซึ่งไม่ใช่เราจะไปบงงังคับบัญชาแล้วก็สามารถเห็นอาการที่มันเกิดดับแต่ละอาการขณะต่อขณะจนทังมันก็เหมือนกับว่าเป็นมีมุดหลุดพ้นไปอาการหนึ่งขณะหนึ่งผ่านครั้งหนึ่งแล้วมันก็เป็นอีกขณะหนึ่งขณะนึงขณะหนึ่ ง, ง, งต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมผัสสัมพันธ์ไปตัวนี้เป็นการเดินทาง ตามลงตามรอยประเภทที่ว่าเหมือนกับว่าเราละชั่วแล้วก็ทําดีชาระจิตมันก็อยู่รวมเลยในะองค์ของความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวแต่ละขณะนะอันนี้เป็นเรื่องที่เรากําลังศึกษากันอยู่แล้วก็เดินทางก็ขอให้การเดินทางของเราทั้งหลายนั้นความรู้สึกตัวของเราทั้งหลายนั้นการเจริญสติของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อนะ การคืนสภาวะปกติสู่จิตสู่ใจของเราจนกาทั่งเหมือนกับว่ามีความเ ป, เป็นปกติไม่ถอยหลังไปสู่ความเสื่อมตลอดไปทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนันเอ